หิมวันตะวันน า, นาผู้สดีเทพกัญญารับพรทั้งหลายดังนี้แล้วจุติจากดาวดึงพิภพนั้น บังเกิดในพระคันอัครมเหสีของพระเจ้ามัทราชในวันขนานพระนามของพระนางนั้นพระยาตทั้งหลายขนานพระนามว่าพุทสดีตามนามเดิมนั้นเพราะเมื่อพระนางประสูตมีพระสรีระราวกะว่าประพรมด้วยจุนแก่นจัน์ประสูตมาพระนางพุทสดีราชธิดานั้นทรงเจริญด้วยบริวารใหญ่ ในการมีพระชนได้16ปีได้เป็นผู้ทรงพระรูปอันอุดมครั้งนั้นพระเจ้าศรีวิมหาราชทรงนำพระนางพุสดีมาเพื่อประโยชน์แก่สันชัยกุมารราชโอรสให้ยกฉัดแก่ราชโอรสนั้นให้พระนางพุสดีเป็นใหญ่กว่าเหล่านารี 16,000 หนางทรงตั้งไว้ในตำแหน่งพระอัครมเหสีของสันชัยราชโอรส ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าผุ้ศรีเทพอักษรนั้นจุติจากดาวดึงเทวโลกนั้นมาบังเกิดในสกุลกษัตริย์ได้ทรงอยู่ร่วมกับพระเจ้าสัญชัยในนครเชตุรพระนางผุ้ศรีได้เป็นที่รักที่เจริญใจแห่งพระเจ้าสัญชยัยครั้งนั้นเท้าสกตะเทวราชเมื่อทรงอาวัชนาการ พิจารณาก็ทราบว่าบรรดาพรทั้ง1ิประการที่เราให้แกนางผู้สดีพรก้าประการสำเร็จแล้วจึงทรงดำริว่าโอรสอันประเสริฐเป็นพรข้อหนึ่งยังไม่สำเร็จก่อนเราจะให้พร น, นั้นสำเร็จแกนางในการนั้นพระมหาสัตว์อยู่ในดาวดึงเทวโลกอายุของพระมหาสัตว์นั้นสิ้นแล้ว เท้าสักกะทรงทราบความนั้นจึงไปสู่สำนักของพระโพธิสัตว์ตรัสว่าแน่ท่านผู้นิรทุกข์ควรที่ท่านจะไปสู่มนุษยโลกควรถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางพุทธดีอัครมเหสีของพระเจ้าสีวิราชณกรุงเชตุดอนครั้นตรัสชนี้แล้วถือเอาปฏิญญาแห่งพระโพธิสัตว์และเหล่าเทพผบุตร หกหมื่นองเ่าอื่นผู้จะจุติแล้วกลับทิพยวิมานที่ประทับของตนฝ่ายพระมหาสัตว์จุติจากเทวโลกนั้นเกิดในพระคันของพระนางพุสดีเทพบุตรหกหมื่นองที่เหลือก็บังเกิดในเคหสถานแห่งอมบาตหกหมืคนก็ในเมื่อพระมหาสัตว์เสด็จอยู่ในพระคันพระมานดาพระนางพุสดีทรงแพ้พระคัน เป็นผู้ทรงใคร่จะโปรดให้สร้างโรงทานหกแห่งคือที่ประตูพระนครทั้งสี่ที่ทํากลางพระนครหนึ่งที่ประตูพระราชวังหนึ่งทรงสละพระราชทรัพย์หกแสนกหาปณะนะทุกวันทุกวันบริจาคทานครั้นพระเจ้าสันชัยศรีวิราชทรงทราบความปรารถนาะแพ้พระคันของพระนางจึงให้เรียกพรามทั้งหลายผู้รู้นิมิต มาทำส ก, การะใหญ่และตรัสถามเนื้อความนั้นพรามผู้รู้นิมิต ท, ทั้งหลายทูลพยากรณ์ว่าข้าแต่พระมหาราชเจ้าท่านผู้ยินดียิ่งในทานมาอุบัติในพระคันของพระราชเทวีจักไม่อิ่มด้วยการให้ทานพระราชาได้ทรงสดับพยากรณ์นั้นก็มีพระหรุไทยยินดีจึงโปรดให้สร้างโรงทานหกแห่ง มีประการดังกล่าวมาแล้วให้เริ่มตั้งทานดังประการที่กล่าวแล้วจำเดิมแต่การที่พระโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิสวยอากรของพระราชาได้เจริญขึ้นเหลือประมาณเหล่าพระราชาในชมพูทวีปทั้งสิน้นทรงเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้าสัรชัยด้วยบุญญาุภาพแห่งพระโพธิสัตว์นั้น พระนางพุดศีราชเทวีมีบริวารใหญ่เมื่อทรงพระคันครบรบสิบเดือนบริบูรณ์มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรพระนครจึงกราบทูลพระราชสวามีพระเจ้ากรุงศรีพีจึงให้ตกแต่งพระนครดุจเทพนครให้พระราชเทวีทรงรถพระที่นั่งอันประเสริฐทำประทักษิณพระนคร ในการเมื่อพระนางเสด็จถึงท่ามกลางถนนแห่งพ่อค้าลมกำรรมะชวาดก็ป่วนปัน่นราชบุรุษนำความกราบทูลพระราชาพระราชาทรงทราบความจึงให้ทำพลัพลาสำหรับประสูตรแก่พระราชเทวีในท่ามกลางวิถีแห่งพ่อค้าแล้วให้ตั้งการอารักขาพระนางเจ้าพุษดีประสูตรพระโอรสณที่นั้น ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพระนางพุสดีทรงคันท่วนทศมาศเมื่อทรงทมประทักษิณพระนครประสูดเราที่ท่ามกลางถนนของพวกพ่อค้าพระมหาสัตว์ประสูตรจากพระคันแห่งพระมารดาเป็นผู้บริสุทธิ์ลืมพระเนตรทั้งสองออกมาเมื่อออกมาก็เหยียดพระหัตต์ต่อพระมารดาตรัสว่า ข้าแต่พระแม่เจ้าม่อมฉันจักบริจาคทานมีทรัพย์อะไรอะไรบ้างครั้งนั้นพระชนนีตรัสตอบว่าพ่อจงบริจาคทานตามอธัธยาศัยของพ่อเถิดแล้ววางถุงกหาปณะพันหนึ่งในพระหัตถ์ที่แบอยู่พระโพธิสัตว์พอประสูตรแล้วได้ตรัสกับพระมารดาสามคราวคือในอุมมังคชาดก สเสวยพระชาติเป็นมโหสดคราวหนึ่งในชาดกนี้คราวหนึ่งในอัตภาพสุดท้ายคือเมื่อมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าคราวหนึ่งครั้งนั้นในวันถวายพระนามพระโพธิสัตว์พระปยุรยาตั้งหลายได้ขนานพระนามว่าเวศสันดอนพระประสูตรในถนนแห่งพ่อค้าด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ชื่อของเราไม่ได้เกิดเนื่องแต่ประมาณดาและไม่ได้เกิดเนื่องแต่พระบิดาเราเกิดที่ถนนแห่งพ่อค้าเพราะเหตุนั้นเราจึงชื่อว่าเวสันดรก็ในวันที่พระโพธิสัตว์ประสูตดช้างพังเชือกหนึ่งซึ่งเที่ยวไปได้ในอากาศนำลูกช้างขาวปลอดรู้กันว่าเป็นมงคลยิ่งมา ให้สถิตในสถานที่มงคลละหัตถีแล้วหลีกไปชนทั้งหลายตั้งชื่อช้างนั้นว่าปัจญยนาคเพราะช้างนั้นเกิดขึ้นมีพระมหาสัตว์เป็นปัจจัยพระราชาได้พระราชทานนางนม64นางผู้เว้นจากโทษมีสูงเกินไปเป็นต้นมีถันไม่ยานมีน้ำนมหวานแก่พระมหาสัตว์ ได้พระราชทานนางนมคนหนึ่งคนหนึ่งแก่เหล่าทารกหกหมื่นคนผู้เป็นสหชาติกับพระมหาสัตว์พระมหาสัตว์นั้นกับด้วยทารกหกหมื่นคนทรงเจริญด้วยบริวารใหญ่ครั้งนั้นพระราชาให้ทำเครื่องประดับสำหรับพระราชกุมารราคาแสนหนึ่งพระราชทานแด่พระเวสสันดรราชกุมาร พระราชกุมาร น, นั้นเปลื่องเครื่องประดับนั้นประธานแก่นางนมทั้งหลายในการเมื่อมีชมมพันษาสี่ห้าพันษาไม่ทรงรับเครื่องประดับที่นางนมทั้งหลายเหล่านั้นถวายคืนอีกนางนมเหล่านั้นกราบทูลประพฤติเหตุแด่พระราชาพระราชาทรงทราบประพฤติเหตุนั้นก็ให้ทําเครื่องประดับอื่นอีกพระราชทานด้วยทรงเห็นว่า อาพรที่ลูกเราให้แล้วก็เป็นอันให้แล้วด้วยดีจงเป็นพรหมไทยพระราชกุมารก็ประทานเครื่องประดับนั้นพระราชกุมารได้ประทานเครื่องประดับแกเหล่านางนมในการเมื่อยังทรงพระเยาวถึง9้าครั้งก็ในการเมื่อพระราชกุมารมีพระชนมายุแปดพันษาพระราชกุมารเสด็จไปสู่ปราสาทอันประเสรศิฐ ประทับนั่งบนพระยีผู้ทรงคิดว่าเราให้ทานภายนอกอย่างเดียวทานนั้นหายังเราให้ยินดีไม่เราใครจะให้ทานภายในแม้ถ้าใครๆพึ่งขอหัตถ a ของเราเราจะพึงให้พาอุรัประเทศนำหัตไทยออกให้แก่ผู้นั้นถ้าเขาขอจักษุทั้งหลายของเราเราก็จะควักจักษุให้ ถ้าเขาขอเนื้อในสรีระเราจะเชื่อเนื้อแต่สรีระทั้งสิ้นให้ถ้าแม้ใครๆพึงขอโลหิตของเราเราก็จะพึงถือเอาโลหิตให้หรือว่าใครๆพึงกล่าวกับเราว่าท่านจงเป็นทาตของข้าเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาตแห่งผู้นั้นเมื่อพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ทรงคำนึงถึงฐานเป็นไปในภายใน ซึ่งเป็นพระดำริแล่นไปเองเป็นเองอย่างนี้มหาปัตภีอั น, นาสองแสนสี่0มื่นโยน์ก็ดังสนันวันไว้ดุดช้างตัวประเสริฐตกมันอราวาสคำรามร้องฉะนั้นเขาสิเนรุราชก็โอนไปมามีหน้าเฉพาะเชตุดอนนครตั้งอยู่ดุดนอวายโอนเอ็นไปมาฉะนั้น ฟ้าก็ขนองลั่นตามเสียงแห่งปัทภียังฝนลูกเห็บให้ตกสายอสเนอันมีในสมัยไม่ใช่การก็เปล่งแสงแวบว่าสาคอนก็เกิดเป็นคลื่นป่วนปัน่นเท้าสักกะเทวราชก็ปรบพระหัตเท้ามหาพรหมก็ให้สาธุการความกลาหนเป็นอันเดียวกันได้มีตลอดถึงพรห ม, มโลกสมจริงดังพระดารัส ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อใดเรายังเป็นทารกเกิดมาได้แปดปีเมื่อนั้นเรานั่งอยู่ในปราศาสคิดจะบริจาคทานว่าเราพึงให้หัวใจดวงตาเนื้อเลือดและร่างกายถ้าใครขอเราได้ยินเราก็พึงให้เมื่อเราคิดถึงการบริจาคทานอันเป็นความจริง หาไทยก็ไม่หวั่นไหวตั้งมั่นอยู่ในการนั้นแผ่นดินซึ่งมีเขาสีนรุและหมู่ไม้เป็นเครื่องประดับก็หวั่นไหวในการมีพระชนมายุได้16พันษศพระโพธิสัตว์ได้ทรงศึกษาศิลปะทั้งปวงสำเร็จครั้งนั้นพระราชบิดาทรงใคร่จะประทานราชสมบัติแก่พระมหาสัตว์ ก็ทรงปรึกษากับพระนางพุทศรีผู้พระมารดาจึงนำราชกัญญานามว่ามัตสีผู้เป็นราชธิดาของพระมาตุละจากมัทราสกุลให้ดำรงอยู่ในที่อัครมเหสีให้เป็นใหญ่กว่าสตรีหนึ่งมืนหกพันนางอภิเศกพระมหาสัตว์ในราชสมบัติพระมหาสัตว์ทรงสละทรัพย์หกแสนกหาปณะนะ ยังมหาทานให้เป็นไปทุกวันทุกวันจำเดิมแต่การที่ดำรงอยู่ในราชสมบัติสมัยต่อมาพระนางมัซีประสูตรพระโอรสพระญาติทั้งหลายรับพระราชกุมาร น, นั้นด้วยข่ายทองคำด้วยเหตุนั้นจึงขนานพระนามว่าชาลีราชกุมารพอพระราชกุมาร น, นั้นทรงเดินได้พระนางมัซีก็ประสูตรพระราชธิดาพระญาติทั้งหลาย รับพระราชธิดานั้นด้วยหนังหมีเพราะฉะนั้นจึงขนานพระนามว่ากันหาชินาราชกุมารีพระเวสสันดรโพธิสัตว์ประทับคอช้างตัวประเสริฐซึ่งตกแต่งแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรโรงทานทั้งหกเดือนละหกครั้งการนั้นนายกาลิงครัฐเกิดฝนแรงข้าวกล้าไม่สมบูครณ์ภัยคือความหิวเกิดขึ้นมาก มนุษย์ทั้งหลายไม่อาจเป็นอยู่ก็ทำโจรกรรมชาวชนบทถูกทุกพิกภัยเบียดเบียนก็ประชุมกันร้องเรียนที่พระลานหลวงเมื่อพระราชาตรัสถามถึงเหตุจึงกราบทูลเนื้อความนั้นครั้งนั้นพระราชาตรัสว่าดีละข้าจะยังฝนให้ตกแล้วส่งชาวเมืองกลับไป ทรงสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถศีลสิ้นเจ็ดวันก็ไม่ทรงสามารถให้ฝนตกพระราชาจึงให้ประชุมชาวเมืองแล้วรับสั่งถามว่าเราได้สมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถศีลสิ้นเจ็ดวันก็ไม่อาจยังฝนให้ตกจะพึงทำอย่างไรชาวเมืองกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพถ้าพระองค์ไม่สามารถให้ฝนตก พระราชโอรสของพระเจ้าสัญชัยในกรุงเชตุดรทรงพระนามว่าเวสัดนดรนั้นทรงยินดียิ่งในทานพระองค์ทรงมีมงคลรหัสถีขาวปลอดซึ่งไปถึงที่ใดฝนก็ตกขอพระองค์ทรงพรามทั้งหลายไปทูลขอช้างเชือกนั้นนำมาพระราชาตรัสว่าดีละแล้วให้ประชุมเหล่าพราม เลือกเอาแปดคนในบรรดาพรามเหล่านั้นชื่อรามะหนึ่งทชะหนึ่งลักษณะหนึ่งสุชาติมันตะหนึ่งยัญญะหนึ่งสุชาตะหนึ่งสุยามะหนึ่งโกนทัญญะหนึ่งทรงตั้งพรามชื่อรามะเป็นประมุขของพรามทั้งเจ็ดประธานสเสบียงส่งไปด้วยพระราชบัญชาว่า ท่านทั้งหลายจงไปทูลขอช้างพระเวสสันดร น, นำมาพรามทั้งแปดคนไปถึงนครเชตุดอนโดยลำดับบริโภคพัฒในโรงทานใครจะทำจรีระของตนให้เปื้อนด้วยฝุ่นไล่ด้วยฝุ่นแล้วทูลขอช้างกับพระราชาในวันรุ่งขึ้นจึงไปสู่ประตูเมืองด้านป่าจีนทิศในเวลาพระเวสสันดรเสด็จไปโรงทาน ฝ่ายพระราชาเวสันดรทรงรำพึงว่าเราจะไปดูโรงทานจึงสงสนานแล้วเสวยโพชนะรถเลิศต่างๆแต่เช้าประทับบนคอคชาทานตัวประเสริฐซึ่งประดับแล้วเสด็จไปทางประตูตะวันออกพรามทั้งแปดไม่ได้โอกาสในที่นั้นจึงไปสู่ประตูเมืองด้านทิศใต้ยืนอยู่ณสถานที่สูง ในเวลาเมื่อพระราชาทอดพระเนตรงทานทางประตูด้านทิศตะวันออกแล้วเสด็จมาสู่ประตูด้านทิศใต้ก็เหยียดมือข้างขวาออกกล่าวว่าพระเจ้าเวสันดรราชผู้ทรงพระเจริญจงชนะจงชนะพระเวสันดรมหาสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพราหมณ์ทั้งหลายก็บายช้างพระที่นั่งไปสู่ที่พราหมณ์เหล่านั้นยืนอยู่ประทับบนคอช้าง ตรัสคาถาที่หนึ่งว่าพราหมณทั้งหลายผู้มีขนรักแรดกมีเล็บยาวมีขนยาวและมีฟันเคะมีธุลีบนศีรษะเหยดแขนข้างขวาจะขออะไรเราหรือบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าผู้มีขนรักแร้ดกมีเล็บยาวมีขนยาวปารุณหะกัตชะนัคโลมา ความว่ามีขนรักแร้ดกมีเล็บงอกมีขนดกคือมีเล็บยาวมีขนยาวมีขนเกิดที่รักแร้รักแร้ด้วยเล็บด้วยขนด้วยเรียกว่ากัตชะน ะ, ะโลมารักแร้เล็บขนของพรามเหล่าใดงอกแล้วพรามเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีขนรักแร้ดกมีเล็บยาวมีขนยาว พรามทั้งแปดกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพข้าพระองค์ทั้งหลายจะทูลขอรัตนะซึ่งทําแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญขอพระองค์โปรดพระราชทานช้างตัวประเสริฐซึ่งมีงาดุดงอนไถสามารถเป็นราชพาหนะเถิดพระเจ้าค่าบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าสามารถเป็นราชพาหนะ อุรุนละหวังได้แก่สามารถเป็นพาหะต้นได้พระมหาสัตว์ได้ทรงสดับคำนั้นแล้วทรงดำริว่าเราใครจะบริจาคทานเป็นไปภายในตั้งแต่ศีสะเป็นต้นพรามเหล่านี้มาขอทานเป็นไปภายนอกกับเราแม้อย่างนั้นเราจะยังความปรารถนาของพรามเหล่านั้นให้บริบูรณ์ประทับอยู่บนคอช้างตัวประเสรศิฐ ตรัสคาถานี้ว่าเราจะให้ช้างพลายทรัพมันตัวประเสริฐซึ่งเป็นช้างราชพหานะสูงสุดที่พรามทั้งหลายขอเราเราไม่ได้วันไหวด้วยเหตุนั้นจึงตรัสว่าครั้นตรัสปฏิญญาชนีแล้วพระราชาผู้ผดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญมีพระหฤทัยน้อมไปในการบริจาคเสด็จลงจากคอช้าง ได้พระราชทานแก่พราหมณ์ทั้งหลายบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าราชพหานะอุปคุยหังได้แก่พาหาะสาหรับพระราชาคำว่ามีพระหฤทัยน้อมไปในการบริจาคจาคาทิมานะโสได้แก่มีพระหฤทัยยิ่งด้วยการบริจาคคำว่าได้พระราชทาน อาธาความว่าได้พระราชทานแก่พรามทั้งหลาย